พุวโธสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะรายการสันสนีส น, น, นะคะก็ล่วงเข้ามาเดือนที่10ของปี2558แต่ถ้าหากว่าเป็นปีงบประมาณแล้วเดือนตุลาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณนะคะอ่าก็การเริ่มต้นของแต่ละคนแล้วแต่นะคะบางคนก็บอกเริ่มต้นตอนวันครบรอบวันเกิดก็จะบอกว่าทําอะไรดีๆใหม่ๆเริ่มต้นกันตรงนี้ บางคนก็เริ่มต้นวันขึ้นปีใหม่บางคนก็เริ่มต้นวันเข้าพรรษานี่ก็อยู่ในพรรษาอยู่นะคะแต่บางคนถ้าเป็นข้าราชการแล้วมันเริ่มต้นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวจะไปถามพระอาจารย์ค่ะว่าการเริ่มต้นเนี่ยถ้าในทางพระพุทธศาสนาจะหมายความว่าอย่างไรแล้วก็เริ่มต้นตรงไหนแต่ว่าตรงเนี้ยจะบอกให้ท่านเริ่มต้นวันด้วยการที่เตรียมปฏิบัติธรรมไปกับเรา รายการสัสนีสนทนาโดยท่านผูน้อำนวยการของสถานปฏิบัติธรรมนะคะที่เรียกว่าวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเป็นที่หลีกเล้นมีประจําทุกเดือนเราไปกราสนมสการท่านพิบูลกันเลยนะคะพระมหาพิบูลอภิปุณโนนมส ก, การกัทนทั้นคะเชิญพอนค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยธรรมะกันก็ามาปฏิบัติธรรมกันซะก่อนนะโดยให้ท่านผู้ฟังก็มาระลึกรู้ถึงลงหมหายใจของตัวเราเอง หายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องแต่งให้สั้นหรือยวาวเร็วหรือช้าไม่ต้องเกรงร่างกายส่วนใดๆแต่ให้หายใจ อ, อ, อย่างเป็นธรรมชาติแล้วในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานี้จิตใจของเราสําคัญที่ตรงนี้จิตใจของเรานั้นมันอาจจะไป ม, มีความคิดนึกอะไรต่างๆไม่เป็นไรแต่ให้เรามาระลึกถึงลมหายใจการระลึกถึงลมหายใจนั้นให้เริ่มนะ สุดที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมเวลาลมจะเข้าหรือลมจะออกเนี่ยมันจะมาสุดอยู่ที่บริเวณโพรงจมูกบริเวณโพรงจมูกนี้จะเป็นตัวที่เราจะรับรู้ถึงลมที่เข้าลมที่ออกได้พระพุทธเจ้าให้ตั้งสติดํารงสติคือมาระลึกถึงอยู่นะที่ตรงนี้คือบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจเวลาเราตั้งสติเอาไว้นั้นไม่ต้องบังคับ หรือไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องขนาดเท่านี้เซนติเมตรหรือมีพื้นที่เท่านั้นใหญ่หรือเล็กอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติของมันเพียงแต่ให้เราพยายามที่จะพูดง่ายๆกับจดจ่อเอาไว้แต่หรือจะบอกว่าเป็นการควบคุมก็ได้แต่เพราะว่าการทําสมาธิเนี่ยคือการควบคุมจิตอย่างหนึ่งเป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งแต่เป็นการควบคุมชนิดที่ไม่บังคับเพราะว่าถ้าเราบังคับ บีบคันจิตของเาเกินไปเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราจับนกกระจาบด้วยมือสองมือถ้าเราบีบมันแน่นเกินไปนกกระจาบมันก็ตายได้แต่ถ้าเราปล่อยมือหลวมเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้อีกเพราะฉะนั้นจิตนี่ก็เหมือนกันถ้าเราพยายามที่จะบังคับจิตไม่ให้มันไปคิดบังคับความคิดว่าอย่าคิดอันนี้เราจะปวดหัวปวดระหว่างคิ้วแต่ถ้าเราปล่อยจิตไปตามความคิดนั่นนี่โ น, น้นมันก็จะฟุ้งไปสั้นไป สุขบ้างทุกบ้างมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าให้มีการควบคุมอยู่ในลักษณะที่จิตนั้นจะไม่ไหลไปตามความคิดแต่ไม่ใช่บังคับคมขีถึงขนาดว่าต้องบังคับความคิดว่าไม่คิดจะคิดให้มันคิดไปไม่เป็นไรจะได้ยินให้มันได้ยินไปไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปตามสิ่งเหล่านั้นให้มันไปตามทางของมันแต่เวลาความคิดก็ตามความรู้สึกกขาตามมันมีมาเนี่ย สิ que, ices, problema, é, problema, ่งเหล่านี้เป็นกองที่เป็นอนันตานะมันก็จะต้องมีเหตุมีปัจจัยของมันถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยเราพยายามจะไปฝืนเราพยายามจะไปบังคับอันนี้คือคุณฝืนธรรมชาติของมันฝืนธรรมชาติมันก็จะปวดหัวแต่ธรรมชาติของมันมีมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเหตุปัจจัยของมันยังตั้งอยู่บางทีมันก็ยังมีความคิดนั้นอยู่ถ้าเหตุปัจจัยของความคิดนั้นมันหมดไปดับไปความคิดนั้นมันก็ดับไปหายไปเองแต่ใจของเราแทนที่จะให้ไปใส่อยู่กับความคิดนั้น ให้มาใส่ไว้อยู่กับลหมหายใจใจที่เอามาใส่ไว้อยู่กับลหมหายใจนั้นจะทำให้สติมีกำลังมากขึ้นสติที่มีกำลังนี้จะเป็นตัวที่รักษาจิตไม่ให้จิตนั้นไปไหลาตามสิ่งที่มากระทบได้เวลาที่มีสิ่งที่มากระทบแล้วเราไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นเพียงแต่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันให้จิตเรามารู้อยู่กับลหมหายใจ บางครั้งบางทีมันก็เผลอมันก็ไปตามมันบ้างเผลอไปบ้างเราเผลอไปเมื่อไหร่ลืมหลงลงมหายใจไปเมื่อไหร่ก็อย่าให้มีความเสียใจน้อยเนื้อต่ําใจด่าว่าตัวเองอย่าให้มีความโกรยความขัดเคลืองเพราะว่านั้นจะยิ่งเป็นอุปสรรคแต่ที่เพิ่มขึ้นทำให้จิตเราไม่เป็นสมาธิตั้งสติขึ้นไม่ได้แต่ให้รับรู้อยู่เฉยเระลึกได้เมื่อไหร่แล้วก็ให้กลับมารู้อยู่งลงมหายใจอย่าให้มีความเครียด ย่ให้มีความกังวลให้ทำให้สบายๆยอย่างนี้ลหละเราสามารถที่จะปฏิบัติต่อเนื่องกันได้ไปตลอดทั้งวันแล้วการปฏิบัตินี้เน่อกจากจะช่วยตัวเราเองให้มีใจสบายแล้วคนที่มีสติแบบนี้เนี่ยเวลาที่เจอกับคนอื่นตอบสนองกับเขาก็จะตอบสนองในลักษณะที่เป็นความไม่เบียดเบียนกันตอบสนองในลักษณะที่เป็นกันเ อ, อื้อเฟือ้อเกือ้อกูลกันมีใจเมตตากัน มีอะไรที่ไม่พอใจ้ก็อดทนได้ลักษณะ น, น, นี้คือจิตคงคนที่ปฏิบัติธรรมเวลาที่เราทําอย่างนี้ก็จะมีผลดีต่อทั้งตัวเราเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยให้รักษาจิตที่มีสติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทั้งวันเลยเจนบอนค่ะสาธุค่ะฟังท่านแล้วดิฉันอยากจะกราบเรียนถามนะก็ว่าเอ๊ะถ้าเป็นคนขี้งุดหงิดอยู่เนี่ยอืการฝึกสติแบบนี้จะช่วยไหมคะเอ่อจะต้องเป็นสองขั้นตอนตในขั้นตอนแรกเนี่ยคนที่ฝึกสติเนี่ยแล้วเป็นคนงุดหงิดเนี่ย จะจะยังไม่สามารถแบบปล่อยวางได้จะยังไม่ได้แต่เขาจะรู้ตัวของเขาว่าเออฉันมันหงุดหงิดแล้วนะนั่นนี่คือสเต็ปแรกแต่ก็ต้องรู้ก่อนว่าเขามีปัญหา น, นี้แต่คือบางทีบางคนหงุดหงิดก็ไม่รู้ตัวนะคือไหลเปลอเปลินไปตามความหงุดหงิดนั้นเก็บไปเรื่อยๆก็ระเบิดตุ้มด้วยซ้ําบางทีไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราพยายามตั้งสติเนี่ยเราจะรู้ก่อนว่าฉันหงุดหงิดแต่โดยที่ยังละไม่ได้นะนี่คือขั้นตอนแรกแต่พอฝึกไปทําไป ก็จะค่อยละได้แต่ไม่ใช่ละชึบเลยนะไม่ใช่ตัดพวเลยแต่ว่ามันจะละได้บ้างแทนที่อาจจะงดหงิดอยู่สักครึ่งวันก็จะงดหงิดอยู่สักสีชั่วโมงอะไรเงี้ยหายไปสักครึ่งชั่วโม ง, งนี่นะค่ะก็คือว่ามีประโยชน์จริงแต่ว่าไม่ต้องไปหวังผลเลิศในคราวเดียวต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะประการแรกจะรู้เท่าทันว่าเรากำลังงดหงิด รประการถัดมาจะเจือจางลงไปตามเวลาที่เราฝึกใช่ใชค่ะก็เพื่อจะใช้ไปแก้ปัญหาของตัวเองบางทีบางคนไม่ทราบนะคะเหมือนบุคคลในข่าวบางทีเราดูเอ๊ะทำไมหมงุดหงิดได้ทุกเรื่องเดี๋ยวยังเข้าใจว่าเจ้าตัวเองก็ไม่น่าจะมีความสุขกับอารมณ์ของตัวเองนะคะน่าจะเผาผลาญตัวเองพอสมควรถ้าหากว่า อ, อได้เทคนิคอันนี้ไปใช้ น่าจะดีนะคะเพราะยิ่งถ้าเป็นคนที่มีอำนาจเนี่ยแล้วหุดหงิดก็จะปล่อยให้คนรอบข้างนี่ตกอกตกใจด้วยอืมยังเป็นเจ้านายเขาอย่างเงี้ยค่ะอืมถ้ามีอาการแบบนี้เราไม่รู้เนีลูกน้องทํางานไม่มีความสุขหรอกนะคะอืมลองเอ า, เอาไปใช้กันทีนี้ได้ขึ้นต้นเอาไว้ค่ะทีะนานคะว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณดิฉนันก็ได้ยินว่าท่านพิบูลน์เองก็นับเอาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของปีช็เลยอยากทราบว่าทําไมท่านถึง เลือกวันนี้คะ่ะเพราะว่าเพื่อที่จะทำซีดีนในแต่ละปีเนี่ยแต่ามาครบรอบปีหนึ่งก็จะรวบรวมจัดทำซีดีออกมาซึ่งในการทําซีดีเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการทำอาจจะสักเดือน2เดือนเพื่อให้มันทันปลายปีแจกปลายปีเป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังอย่างนี้นะ<อ>เพราะฉะนั้นก็เลยตัดช่วงเวลาที่พร้อมๆกันกับทางปีงบประมาณ เพื่อจะ ใ, ให้การทํางานของเราคนเดียวเข้าใจกันได้มากขึ้นบุคลูกเสียลูกค้าที่ช่วยเหลือกันอ๋อ <c oughs> ค่ะก็ดีนะคะเกาะไปกับงบประมาณของรัฐบาลเลยนับง่ายเป็นเครียก fiscal year <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ปีงบประมาณส่วนเรื่องการเริ่มต้นที่คุณโยมติ๋วพูดเกิดไว้ตั้งแต่ตอนแรก <c oughs> แว่นในทางธรรมะเนี่ยมีการเริ่มต้นหรือไม่อะไรยังไงอันนี้ก็มีประเด็นที่อาจารยมาต้องการสื่อสารเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของความทุกข์เนี่ยนะ บมงวันต้องมีหลายแง่มุมหลายประเด็นเอาประเด็นแรกแง่มุมแรกเรื่องของความทุกข์เรื่องของสังสารวัฏเนี่ยมันไม่มีที่เริ่มต้นมันไม่มีที่สิ้นสุดจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดหาไม่เจอสําหรับสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกาัก้นมีตนาเป็นเครื่องปูกไว้เนี่ยท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบือเบ้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏพระบรูชาบางอย่าง ค่ะอ๋อท่านคาะดิฉันขอถามตรงนี้เลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าบางคนมีความเชื่อว่าตัวเองปฏิบัติแล้วก็มีบุพเพนิวาสารุสติญาณคือสามารถย้อนไปดูพบชาติเดิมก็หาพบที่หนึ่งไม่เจอสิอคะไม่เจอคือมันแล้วแต่กำลังของเขาคือว่าบางคนก็จะระลึกชาติได้สิบชาติ บ, บ้างยี่สิบชาติ บ, บ้างทีนี้ เ, เขาก็จะไปสุดตรงนั้นสุดที่ยี่สิบชาติชาติที่ยี่สบ็ดนับถอยหลังไปเนี่ย เขาจะไปไม่ได้แต่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคือมันมีแต่ว่าเขาไปไม่ได้ความสามารถมีแค่นี้เข้าใจค่ ะ, ะ ด, ดิฉัน อ, อยากถามอย่างนี้ค่ะแบบบางบางทีเราไปอ่านประสบการณ์ของใครหรือว่าไปคุยเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะบอกว่าเออชาติที่หนึ่งเคยเป็นอย่างนั้นชาติที่สองเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอฟังพระสูตรนี้ใช่ไหมคะมที่คงจะเป็นพระสูตรที่ท่านได้ยกมา ว่าสังสารวัตรไม่มีท yeah. um ี่เริ่มต้นไม่มีที่สิ nice> ้นสุดเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าดังนั้นนับหนึ่งไม่ได้มันเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้สิคะอันนี้คือเป็น reference ของคนที่เขาพูดตอนนั้นเองค่ะเนี่ยว่าเขาสุดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เขาสุดตรงนี้เขาเริ่มนับหนึ่งเริ่มตรงนั้นแต่แต่ถ้าคนที่มีความสามารถไปกว่านี้อีกก็จะยังเจอได้อีกอาจจะเจอก่อนหนึ่งไปอีกถูกไหมถ้าก่อนหนึ่งของคนนี้มีความสามารถไปอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว อมีมากมายเหลือประมาณในชีวิตของคนสุกคนหนึ่งเนี่ยอย่างกับดิฉันเนี่ยนะคะน่าจะผ่านมาแล้วสังสารวัตรนี่นับรวมกันได้ยังไงคะท่านคะพระรัชาบอกว่าเหมือนกับการที่เราพยายามจะนับเมล็ดทรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปากแม่น้ํำคงคาแต่ปากแม่น้ำคงคาเ น, นี่คือตรงทะเลนะ <c oughs> จนถึงจุดเริ่มต้นของมันตรงภูเขาหิมลาลัยนู่นน่ะระหว่างนี้มีเมล็ดทรายกี่เมล็ดโอย <laughs> ให้ดิฉันนับช้อนเดียวดิฉันก็นับไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวไม่ไหวเอาหรือหรือว่าถ้าเราให้สาวก4รูปที่มีความสามารถในตรรมะัจจุบันนี้เนี่ยสามารถระลึกย้อนหลังไปได้วันละ 10,000 แชาติค่ะหนึ่งแสนชาตินับไปย้อนหลังไปแต่ตอนให้มีอายุร้อยปีมาระลึกได้วันละแสนชาติคูณ100่คูนสีเนี่ยกูณ3ามรด้วย ก็ยังไม่ยังมีที่ต้องระลึกต่อไปได้อยู่อีกยังมีย้อนไปอีกมันมันนับไม่ได้เลยคือมากมายเลยประมาณนับไม่ได้นะคะงั้นถ้าภาษาของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอะไรครับมากมายหรือประมาณเนี่ยนับลำบากมากภาษาของพระพุทธเจ้าก็คืออสังขยะอสังขยะคือไม่นับไม่ได้สังขยะนี่คือหมายถึงการนับค่ะการนับชนิดที่ว่านับไม่ได้เลยคือคือมันจะมีลักษณะนามที่แบบนับได้กับนับไม่ได้ ค่ะอย่างเช่นน้ําำน้ำเนี่คือเรานับไม่ได้ว่าว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาหน่วยมาตวงมันก็จะเริ่มนับได้ขึ้นมาค่ะแต่แต่ว่าถ้าจํานวนชาติที่เป็นสังสารวัตรเนี่ยโอ้โหคุณคือชื่อว่าไม่ต้องนับเลยอ่ะเพราะมันมันไม่อัี่จะนับได้ค่ะก็เท่ากับว่าสังสารวัตไม่มีที่เริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดนับลําบากนับไม่ได้ไไม่ด้ค่ะแล้วประเด็นถัดไปประเด็นถัดไปก็คือว่าบางคนก็เลยทำให้เข้าใจว่าโอ้ทั้งนั้นปฏิบัติธรรมมันยากมาก เประเด็นก็เจอตรงนี้ว่าเราจะเริ่มตรงไหนไอที่มันนับไม่ได้เราผ่านความทุกมาแล้วเจอมามากมายเนี่ยแช่ชาตินี้มันก็คงจะพอแรงพอสมควรแล้วจะเริ่มตรงไหนเพื่อที่จะให้บนจากความทุกจะเริ่มตรงไห น, นแต่ตรงจุดเริ่มตรงนี้ของการที่เราจะปฏิบัติทําได้แจุดเริ่มตรงนี้ก็คือเริ่มที่ศรัทธาเริ่มที่ศรัทธาแต่เพราะว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยเป็นผลของเขาที่เขาเจอความทุกแม้ถ้าจะพูดแต่โดยเทคนิคนะคุณหยบติวนะ เราเริ่มที่ความทุกข์นี่จะดีกว่าเนอะเราเจอทุกข์ตรงไหนเราเริ่มตรงนั้นอันนี้คือจุดเริ่มของการบฏิบัติธรรมนะจุดเริ่มของการที่คุณจะออกจากสังสารวัฏที่ไม่มีจุดเริ่มเนี่ยคุณเริ่มตรงจุดที่คุณมีความทุกข์คุณจะมาเข้าใจทางคําสอนของพระพุทธเจ้าได้โหบางทีเขาพูดศัพท์เทคนิคอะไรไมารูกปฏิจจสมุปบาทอิทธิปัจญยาตาโพชงเจอะไรฟังไม่รู้เรื่องเริ่มตรงไหนดีเริ่มตรงที่คุณมีความทุกข์เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าบุคคลที่มีคววามทุกแล้เนี่ย ทุกเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งของศรัท ธ, ธาฟังให้ดีน ะ, ะทุกเป็นที่ตั้งของศรัท ธ, ธาแต่ยรนมาพูดข้ามมาขั้นตอนหนึ่งพูดเลยมาศรัท ธ, ธาเลยแต่จริงๆศรัท ธ, ธาจะเกิดขึ้นได้คุณต้องมีความทุกข์เสก่อนเพราะฉะนั้นจุดที่เรามีความทุกข์ใช่จุดที่เรามีความทุกข์นี่แหละจะเป็นจุดที่สามารถปลูกสร้างศรัท ธ, ธาขึ้นมาตรงนั้นได้ค่ะถ้าเพื่อนฟังลองคิดดูว่า เพราะพุทโธงตัดไม่ถูกมั้เพราะดิฉันเคยได้ยินเพื่อนคนหนึ่งเขากล่าวโดยสรุปนะคะเขาเป็นคนไปวัดเขาบอกคุณติ๋วเชื่อพี่เถอะคนไปวัดทุกคนอะส่วนใหญ่มีความทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกคนใช้คำว่าล้วนมีความทุกข์งี้ดีกว่าอืมค่ะก็เลยเข้าวัดมีศรัทธ า, านั่นแนะค่ะใช่ใช่เร่มาตั้งแต่สามวกในสมัยพุทธกาลคนเด่นเนอ่สาวใจแตกหนีตามผู้ชายไปสุดท้ายอกหัก แล้วมาเจอพระรูปเจ้บรลลูเป็นพระอาหารหันต์เป็นภิกษุณีอย่างนี้ก็หลายรูป ก, ก็ก็เยอะแยะคือเจอความทุกข์ก่อนอะ่ะคุณถึงมีศรัทธาแล้วคุณถึงปฏิบัติธรรมได้แล้วก็พ้นจากความทุกข์ได้ค่ะจะเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่ที่ตั้งของศรัทธาคือความทุกข์ใช่ค่ะประเด็นข้อที่สองคือตรงนี้คือว่าโดยถ้าชีวิตฉันมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะ่ฉันก็ว่าฉันสบายอยู่อมีเงินใช้มีข้าวกินมีที่อยู่มีงานการดี รถติดบ้างก็กระพอะอนได้แล้วจะเริ่มที่ไหนดีแต่ตรงนี้จึงต้องอาศัยความฉลาดนิดนึงในการที่จะเห็นความทุกข์เพราะว่าลักษณะของความสุขความสุขเวทนาเนี่ยแหละมันก็คือสภาพทุกข์ที่มีความแฝแงอยู่ดังนี้จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เทวดาบางคนเนี่ยเทวดานะเทวดาบางตนบางรูปเนี่ยก็ เ, เห็นว่ามนุษย์เนี่ยน่าจะดีกว่าเทวดาเพราะว่าเทวดาเนี่ยมันเห็นทุกข์ยากไง มันมีแต่ความสุขมากกว่ามนุษย์นะนะอย่างมนุษย์ <c oughs> ถ้าเราจะเปรียบเทียบเกรดกันในระหว่างมนุษย์ที่มีอันจะกินมีวันนะดีมีความสุขเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็มนะีมนุษย์ที่แบบโุ้ยทุกข์มากชีวิตอย่างกับละครน้ำเน่าจริงๆเลย <c oughs> แบบนี้ก็มีนะอยู่สลามอะไรต่างเขาก็มีความทุกข์มากนี่ก็มนุษยนะ์เกรดแบบนี้ก็มีที <c oughs> นี้ที่เป็นมนุษย์ดีๆเนี่ยเห็นทุกข์ก็ยากหน่อยแต่แต่มนุษย์ที่ไม่มีอันจะกินเห็นทุกข์ก็ง่ายหน่อย ทีนี้สวรรค์นี่มันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกไงยิ่งกว่ามนุษย์ที่มีอันจะกิีนอีกแต่ทําให้เขายิ่งเห็นทุกข์ยากทําให้บางทีเนี่ยเทวดาพวกนี้เขาก็าอยากจะมาเป็นมนุษย์แต่จริงๆแล้วเทวด า, างไงก็ดีกว่ามนุษย์แน่นอนนะนะในเรื่องของการได้รับความสุขในเรื่องของปัญญาเรื่องของการที่จะบําเพ็ญกุศลแล้วก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีความสุขคิดว่าตัวเองมีความสุขอยู่เนี่ยเราจึงต้องใช้ปัญญาในการที่จะให้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในความสุขนั้นซึ่งลักกษณะนี้็คือว่า ให้เราเป็นผู้ที่พยามีความไม่เที่ยงอยหรือแม้แต่เรากินข้าวอร่อยอร่อยเนี่ยถ้ากินมากเกินไปมันก็ต้องไปห้องน้ําเขาก็เรียกว่าถ่ายทุกนะเออออกมาก็มีความสุขก็เรียกว่าสุขาค่ะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เราเจออยู่ทุกวันแน่นอนค่ะทีะ่ฉันคิดว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวมาในช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปเนี่ยกำลังจะตอบคําถามคนที่นึกเพียงอยู่ในใจว่าไม่จริงหรอกฉันเข้าวัดเนี่ยฉันไม่ได้เจอความทุกข์นะคะหรือว่าอ ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าศรัท ธ, ธาของคนมันเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันบางทีก็โอ้เห็นพระรูปนี้แสดงธรรมได้ดีใช่ไหมคะก็รู้สึกประทับใจอยากจะไปเข้าวัดฟังศึกษาธรรมะก็ชัดเจนมากขึ้นโอเคตรงนี้มีสองแงม่มุมแต่แ ง, ง่มุมที่คุณโยมติ๋วบอกว่าศรัท ธ, ธาคนที่อาจจะเกิดจากการฟังเทศก็ได้อันนี้ก็ถูกแล้วคนที่เขาเทศเนี่ยนะไม่ว่าจะพระรูปไหนจะเทศก็ตามเนี่ย แล้วทำให้เราเกิดศรัทธาได้เนี่ยแสดงว่าการเทศนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาเรื่องที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่ 4, ซึ่งมันต้องมีความทุกข์อยู่ในนั้นแน่นอน ค, คุณก็เห็นทุกข์จากการเทศน์นะไงทำให้คุณมีศรัทธาได้อีกแง่มุมที่สองที่เมื่อสกรูจะพูดถึงว่าเวลาที่เราเริ่มต้นเรื่องของความทุกข์เนี่ยลักษณะของความทุกข์ทุกขะอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสคือขันธานั่นเอง แต่เพราะฉะนั้นถาเราจะบอกว่าฉันไม่มีความทุกข์หรอกคุณปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าคุณมีขันห้าแน่นอนแต่คุณต้องมีรูปคือร่างกายนี้คุณต้องมีเวทนาความรู้สึกต่อให้เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขตามในเกิดเวทนาสัญญาความหมายรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆคุณก็ต้องมีสังขารวิญญาณพวกเนี้ยเรามีอยู่ในกายของตัวเรามันคือขันห้าไอขันห้านี่แหละคือความทุกข์มันเริ่มที่ตรงนี้ได้ค่ะเราก็เริ่มรู้จักทุกข์มากขึ้นอืขันห้า รูปเวทนาการจําได้หมายรู้สัญญานะคะแล้วก็การปรุงแต่งสังขารและวิญญาณวิญญาณค่ะแต่พวกนี้มีอยู่ในกายของเรามีอยู่ในจิตของเราในเมื่อมันมีอยู่ในเนี้ยตรงนี้เป็นจุดเริ่มที่เราจะให้เห็นความทุกข์ได้ปลูกศรัทธาได้ค่ะแต่เราก็เรื่องความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดสอนมากที่สุดสอนมากกว่าทุกเรื่องเลยเรื่องทุกข์เนี่ยนะค่ะทุกขกับอริยสัจคือกันท่าเนี่ย เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดสอนบ่อยที่สุดย้ํามากที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้ว่าเวลาทุกข์เกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะแล้วพัฒนาไปยังไงต่อเพราะว่าคนที่มีความทุกข์เนี่ยผลของความทุกข์มีอยู่สองอย่างด้วยกั น, นผลของความทุกข์มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งคนที่เจอความทุกข์แล้วก็จมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นราไรกร่ํานกรญทุบบกโชคตัวหรือว่าด่ากลายกระฟัดกระเฟียดแสดงความโกรธความกัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนี่คือ คนประเภทที่1แต่เจอทุกข์แล้วก็จมอยู่ตรงนั้นกับคนประเภทที่2แต่พอความทุกข์ถูกต้องแล้วก็แสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีและนี่คือคนประเภทที่2ที่เรียกว่าเส้นที่2เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่จะพาจุดเริ่มต้นของเราที่เราบอกว่าเริ่มต้นที่ความทุกข์เนี่ยจะให้ไปเกิดศรัทธาได้แต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาในที่นี้ก็คือ เราเปิดประดามประสงค์นั่นเองนะพุโทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยจะเป็นบุคคลที่บอกว่าจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีมาตามทางนี้นะการไปเนี่ยการที่เราระลึกไปเนี่ยสติเนี่ยนะคือการไปเนี่ยนะค่ะคือหมายถึงการที่เราระลึกได้คือมีสติมันก็จะไปในทางที่เป็นสาระเป็นที่พึ่งตรงนี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือประเด็นที่สามแล้วก็พัฒนาไปในทางนี้ทีนี้บุคคลที่ผลของความทุก หนึ่งจมปลักหรือว่า2รอดไปได้ไปตามทางสารณะนี้ได้เนี่ยสคนนี้จะจะแตกต่างกันยังไงแต่คือถ้าเราตกอยู่ในความทุกข์แน่หละ่ะทุกคนเป็นอย่างนั้นนะเกเราก็รู้สึกว่าเราทุกข์มากเลยบางบางทีบางคนก็เป็นอย่างนั้นรู้สึกวันหนักอึ้งทำไมเราถึงจมปลักอยู่ในความทุกข์สคนนี้มีวิถีชีวิตมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันมากความคิดของเขาจะแตกต่างกันมากแต่คือคนแรกเนี่ยเห็นทุกอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่เข้าใจความทุก เห็นทุกชนิดที่ไม่เข้าใจความทุกขก็เลยคิดว่าทุกเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นตัวฉันแต่เป็นอย่างนั้นแต่คนที่สองที่ว่ามาตามทางออกที่สองได้เนี่ยเห็นทุกในลักษณะที่เหมือนกับว่าหมอเขาเห็นโรคนะค่ะอย่างถจะมาเราปวดท้องปวดท้องของคนที่ปวดท้องก็ไม่รู้ว่าจะกินยาอะไรไม่รู้จะรักษายังไงเหตุเกิดอะไรไม่ทราบเลยแต่คนที่ปวดท้องหมอปวดท้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าเกิดจากเชื้ออะไรต้องกินยาอะไร ความรู้นี้จึงจึงแตกต่างกันและซึ่งความรู้ประเภทที่2ตัวนี้พระพรุทธเจ้าบอกว่าเป็นปัญญานะเป็นปัญญาเป็นปัญญารู้ว่าทุกเนี่ยคือทุกอะ่ะเป็นปัญญาที่รู้ว่าทุกคือทุกเนี่ยโหนี่เป็นปัญญามากแต่ถ้าถ้าเราแค่รู้แล้วเราไม่ไม่เข้าใจมันเนี่ยตรงนี้คือไม่ใช่รู้ทุกแล้อันนี้ปัญญาไม่เกิดแต่จะจมปลักอยู่ในนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็อาศัยปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นอย่างจากการที่เราอยู่ในทุกแล้ว เรามีศรัทธาแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดในการที่จะให้รู้ทุกตามที่เป็นจริงได้ น, นั่นเองก็มาเรื่องอริยสัจสีนั่นแหละค่ะพูดถึงเรื่องรู้แต่เหมือนไม่รู้เนี่ยกับอันที่รู้แล้วคือรู้ว่าทุกท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้ไหมค ะ, ะก็เหมือนอย่างหมอที่เขารักษาคนไขค้คนไข้รู้ไหมว่าตัวเองเจ็บตัวเองป Ł วดท้องรู้แน่นอนอแต่ความรู้ของคนไข้กับความรู้ของหมอ เวลาหมอเขาปวดท้องเองแตความรู้ของหมอที่ปวดท้องกับความที่ตัวเองปวดท้องเองเนี่ยนะกับความรู้ของนคนที่ไม่ใช่หมอที่เขาปวดท้องแล้วเขาปวดท้องเองเนี่ยความรู้ของสงคนนี้ไม่เหมือนกัน ค, <ะ S 1> ความรู้ไม่เหมือนกั น, น ค, ำคำภาษาไท ย, ยมันเลยจะสับสนนิดหนึ่งเพราะว่ารู้ภาษาไทยเนี่ยนะมันก็เอาไปใช้ว่าระลึกรู้หมายรู้ระลึกรู้นี่ก็คือสติใช่ไหม <คะ S 1> ถ้าใช้ภาษาบาลีหมายรู้ภาษาบาลีกับสัญญา รับรู้ภาษาบาลีของวิญญาณรู้สึกภาษาบาลีของเวทนารู้ชนิดที่ว่าเป็นญาณกับญาณนะรู้ชนิดที่ว่าเล่าเรียนรู้กับปริญัติอีกต่างหากค่ะรู้ชนิดที่เรียกวิชาความรู้อันนี้กับวิชาอีกมันมันเลยเป็นคําว่ารู้ไปหมดเลยประจนตายนะแต่ภาษาบาลีนี้จะชัดเจนมากเป็นกนละคำเพราะฉะนั้นคําว่าที่คุณโยมดีวอกรู้ของหมอที่เขารู้ว่าถึงปวดท้องเนี่ยความรู้ตรงนี้ของเขาเป็นวิชา ในขณะที่คนทั่วไปธรรมดาที่ไม่ได้เป็นหมอพอตัวเองปวดท้องปุ๊บรู้ขึ้นมาอันนี้คือเป็นวิญญาณเฉยๆวิญญาณว่าตัวเองไปรู้สึกตรงนี้ขึ้นมาแต่ความรู้ตรงนี้จึงแตกต่างกันเพราะว่ารู้ชนิดที่เป็นวิญญาณหรือเป็นเวทนาเนี่ยคือคุณยังจมอยู่ในความทุกข์เนเป็นคันหน้าแต่รู้ชนิดที่เป็นวิชาเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้ฉันรู้ว่าวิธีจะออกมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือวิชาเป็นญาณขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมามันจะแตกต่างกันค่ะดังนั้นถ้าเรายังคิดว่าเรายังรู้ แบบคนไข้เราก็ต้องหาความรู้ต่อไปเพื่อที่จะได้รู้แบบหมออย่างนั้นถูกไหมคะใช่ใช่้วในทางพระพุทธศาสนาจะพัฒนาความรู้เปลี่ยนจากรู้แบบคนไข้ไปเป็นหมอได้อย่างไรคีย์วอร์ดตรงนี้ที่คุณโยมถิ่นพูดมามคุณครูนี่แหละคือพัฒนาเนี่ยแหละคาว่าพัฒนานี่แหละจึงต้องพัฒนาถามว่าพัฒนาอะไรท่ายังไงถึงจะพัฒนาที่ว่าพัฒนาเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาเนี่ยคือมรรคแปด เราจะเปลี่ยนแปลงจากไอ้เจ้าความทุกข์ของเราเนี่ยพัฒนาปรับปรุงเป็นวิวัฒนาการให้มันเป็นปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยคุณต้องใช้มักแปนะมักแปจะเป็นตัวที่วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเจ้าความทุกข์ของเราให้เป็นปัญญาขึ้นมาได้ค่ะมักแปนี่คือเรื่องอะไรบ้างเริ่มจากศีลในเวลาเราเจอความทุกข์น่ยที่จะมาพูดเมื่อสกครูว่าเริ่มที่ความทุกข์ใช่ไหมเราเริ่มเริ่มจริงจมันเริ่มตรงไหนเพราะว่าฉันก็ทุกอยู่แล้วล่ะ หรือว่าถ้าฉันยังไม่ทุกข์ฉันเห็นกันนะแล้วยังไงจะเริ่มปฏิบัติมันเริ่มตรงไหนกันแน่จุดที่3าตรงนี้ประเด็นที่สามตรงนี้คือว่าเริ่มที่ศีลคุณต้องมีศีลก่อนศีลในที่นี้ก็คือคุมกายคุมวาจาไว้ไม่ให้มันไปทําความชั่วแตถ้าจะทําชั่วเช่นตียุงถ้าจะด่าเขาจะพูดโกหกโนโนโอย่าทำอย่าทำต่อเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้เริ่มที่ศีลอันนี้คือประเด็นที่สในข้อที่1นึ่ะข้อที่หคือเรื่องของศีล แล้วกที่สองก็คือเรื่องของจิตนั่นเองเนื่องจาะว่าสิ่งที่คุมกายคุมวาจาได้ก็ต้องเป็นจิตจิตก็ต้องทําจิตให้เป็นอารมณ์มันเดียวแล้วก็ข้อที่สมก็คือปัญญาปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นมัจณนะัมมัจ ค, คือมัจแ8ดเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาเริ่มต้นที่สมาธณฑิตจนถึงสมาสมาธิจะสามารถที่จะพัฒนา สามารถที่จะมิวัฒนาการไอ้เจ้าความทุกข์ที่เรามีให้เป็นปัญญากินมาได้ค่ ะ, นะะพูดถึงเมื่อเรามาทำความรู้จักกันจริ ง, รงๆกับตัวมัคทั้งแดเนี่ย น, นะคะดิฉันเข้าใจว่าในการดำเนินชีวิตของคนทั่วๆไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ปฏิบัติมัค8กันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนที่เหมือนกับว่ามีจิตที่เป็นกุศลอยากทำแต่สิ่งที่ดีเ ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในแดนของมรรคแดเช่นอย่างที่ท่านได้กล่าวถึงเรื่องศีล น, นะคะศีลศ mm ีล hmm. ห้าอย่างเงี้ยเ mm hmm. ดีฉันเชื่อว่าคนที่คิดในฝ่ายอกุศลเนี่ยคนดีนะคะก็ mm hmm. จะประพฤติอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยได้หลุดไปจากศีลเท่าไหร่หรือว่าหลุดก็น้อย mm hmm. อยู่แล้วซึ่งในสัมมา อย่างเช่นที่ท่านพูดเรื่องศีลถ้าเห็นชัดๆก็คือเรื่องของสัมมากมันตะถูกไหมคะใปอนแล้วก็สัมมาวาจานสัมมาวาจานค่ะกามันตะก็ไม่ขา่าไม่อยากได้ของของคนอื่นไม่พฤติ ผ, ผิดในการใช่ไหมคะใช่สัมมาวาจานี่ก็ข้อพูดบดข้อที่สี่กับอย่างอื่นเช่นสมมติว่าสัมมาสังกปะกดาริชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่บอกว่า อ่าไม่ไม่ดำริในทางที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนคนดีไม่ค่อยคิดจะไปเบียดเบียนใครนะคะมไม่ผูกพยาบาทกับใครใช่แต่ในส่วนเรื่องของการเนี่ยเดียนเข้าใจว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ก็บางทีก็ธรรมดานะกินข้าวเย็นหรือว่าไปแบบว่ามีความสุขทางฟังเพลงบ้างดูหนังบ้างก็ธรรมดานะถูกหมใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าไอ้ตรงเนี้ย อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเรารู้เราก็จะได้ทําให้ถูกต้องขึ้นมันเป็นยี่งเป็นยิ่งคนธรรมดาทั่วๆไปที่คุณโยมติ๋พูดถึงว่าเขาจะรักษาศีได้บ้างพวกนี้เนี่ยนะเขาก็จะมีความทุกข์น้อยอยู่แล้วใช่ค่ะคือปริมาณของความทุกข์ของเขาเนื่องจากการที่เขาอยู่ตามมาร์กแได้โดยอัตโนมัติอยู่ได้เป็นส่วนใหญ่แต่นนในบางส่วนที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทําให้ความทุกข์เนี่ยเขาก็จะน้อยกว่าเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับพวกที่รักษาไม่ได้ใช่่่คะ พระญาติทิฐิเนี่ยสมมุตินะคะก็ไม่เข้าใจหรือ ว, ว่าสมาธิในความหมายของพระพุทธองค์ถ้าอย่างที่อประสงค์จริงๆก็คือต้องการให้เราเนี่ยเข้าใจถูกต้องในเรื่องของทุกอขอไปค่ะร อ, อริยศาศาสัจสี่ถูกไหมค่ะใช่ใช่ใช่ใช่ไหมคะทีนี้อก็ถ้าเรานับถือศรัทธาพระพุทธองค์แล้วเรารู้ว่าสิ่งที่ท่านตรัสรู้เรื่องใหญ่เนี่ยคือเรื่องของอริยสัจสี่อยู่แล้วเนี่ยเราก็เชื่อพื้นๆแต่ จะใหะ้เข้าใจแบบธรรมะลึกซึ้งเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาก็อาจจะไปไม่ถึงก็ <Okay. S 2> เพียงแต่รู้ว่าเออพระพุทธเจ้าในสอนให้ช้ชีวิตเป็นเหตุเป็นผลนะอถ้า uh huh. มันมีความทุกข์ปุ๊บเนี่ยให้หาเหตุที่เจอนะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ uh huh. แล้วก็ดับมันซะอื uh huh. แต่ดับด้วยวิธีอ่าอริยมรตเนี่ยบางคนก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเกินตัวฉันไป uh huh. จะทําได้บางส่วนทำไม่ได้เต็มที่อ่ะซึ่งจริงๆแล้วทําได้อยู่แล้วบางส่วนใช่ใช่ทีฉ่ฉันก็เลยอยากจะถามว่า โดยสรุปนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ใช้ได้บางส่วนถ้านก็บอกทุกดับบางส่วนแล้วเนี่ยใช่นะคะสมมติว่าชีวิตนี้ไม่ได้คิดจะทําอะไรเกินกว่านั้นเนี่ยจะลําบากไหมคะก็ทําเท่าที่คิดได้นะใช้ชีวิตที่ดีดีมากอยู่แล้วไงถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนที่เขายังทาไม่ได้ค่ะแล้วเราก็จะมีความทุกข์น้อยกว่าเขาค่ะทีนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ทําได้เช่นระดับคนที่ปฏิบัติได้เต็มที่เลยเนี่ยนะอันเปรียบเทียบกับพระอรันเนี่ย โซดาบานเนี่ยมีความทุกข์มากกว่าพระอรหันมามากเลยนะมากมากเลยนะเพราะว่าความทุกข์ของพระอรหันนี่มันมันไม่มีเลยมันเหลือน้อยเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเอ้ถ้าเราปฏิบัติได้บางส่วนเอ่อความทุกข์ฉันก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยตรงนี้จึงเป็นประเด็นว่าเราก้าวหน้าได้เราทําให้ดีขึ้นได้จากนี้ไปโดยค่อยๆทําไปละตามกระบวนการนะนี้ก็คือเป็นวัฏจักรของการพัฒนาเป็นวงรอบของการพัฒนาเพราะว่าถ้าเราใช้คําว่า วิวัฒนาการเป็นการพัฒนาเนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นเราทําตรงไหนได้เราก็ทําไปทำตรงไหนเพิ่มขึ้นได้เราก็ไปทําตรงนั้นอย่างเี้มันก็จะก็ค่อยๆดีขึ้นนั่นแหละค่ะก็เท่าบอกว่าอ่าที่คิดดีพูดดีทําดีเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านต้องการจะมีความทุกข์น้อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องพยายามปฏิบัติตามหนทางที่พระพุธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วในเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดเด่นบาลนะคะ นี่ก็เป็นาการที่ท่านเริ่มต้นปีใหม่ด้วยธรรมะของพระศาสดาว่าเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรดีมาถึงตอนนี้นี่ถือว่ า, าแดนเริ่มต้นในจบหรือยังค ะ, ะการเริ่มต้นมันก็จะเป็นวงรอบไปถ้าเราเริ่มที่ดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นวัฏจักรเป็นวงโครจรเป็นวงโครจรที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ จุดเริ่มต้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่เรารักษาแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่พอเราทํามีปัญญาเสร็จปุ๊บเรามีความมั่นใจมากขึ้นแต่พอมั่นใจมากขึ้นเรายิ่งมีการทําจริงมีการทําจริงแล้วเราจะมีสติมีปัญญามีปัญญาเราจะมั่นใจมากขึ้นมีสตาสูงขึ้นอย่างเงี้ยก็จะวนไปวนไปสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองค่ะเต้นไปเพื่อนไปรู้จักกันในวัดเนี่ยแหละนะคะอืก็ได้เห็นว่าตั้งใจมาวัดมาก ไปเมื่อไหร่เจอเมื่อ น, นั้นอยู่ดีๆก็หายไปเลยวันหนึ่งหายไปเป็นเดือนๆ น, นะคะเพิ่งกลับมาเจอกันเขาบอกว่ามผมมีความทุกข์มากเลยคือเหมือนกับพอมาสัมผัสกับโลกที่ทำให้ร่มเย็นด้วยพระธรรมแล้วออกไปคลุกคลีอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆของโลกโลกนะคะ ก็ต้องมีกลับมาสแสวงหาความร่มเย็นเป็นพักๆโอเคค่ะก็ต้องกราบนัสกสการขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับวันนี้เจริญบานนันส ก, การค่ะเรื่องฟังที่เคารพค่ะเนี่ยค่ะเหมือนกับเราก็พูดกันในเรื่องที่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆคือเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่มีใคร บนโลกใบนี้ที่จะไม่พบพบกันทุกคนพบมากพบน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็จะพบแล้วพบอีกพบแล้วพบอีกพบแล้ ว, พ บ, ลวพบอีกถ้าหากว่าเราไม่ตัดวงจรของความทุกข์ตามคำสอนของพระศ า, าสดานะคะว่าถ้าตายแบบตายทั่วไปเนี่ยไม่หายาแก้ตายคือสวงหาการหลุดพ้ น, นก็จะต้องเกิดอย่างนี้ร่ำไปมาผชิญหน้ากับความทุกข ฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อเรารู้ว่าพระาศาสดาได้ตรัสรู้อย่างนี้ได้พบอย่างนี้ได้ชี้ทางออกอย่างนี้ก็ใช้ประโยชน์กันนะคะวันนี้รายการสันสนินทนานิชนสันสนสรฐนาคพงศ์นะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM-106 ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวสวสดีค่ะ